ยังกินจิสมุดยธรรมังสับบันตังนิโรธธรรมันตีบัดนี้จากแสดงพระธรรมเทศนาคือคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาตถาคตเจ้าเพื่อให้เกิดประโยชน์มีความสงบแห่งใจเป็นเบื้องต้นมีความผ่องใสแห่งใจเป็นที่สุด ให้พอสมควรแก่วันธรรมมัสวันนะคือวันแห่งการฟังซึ่งทมอันเวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่งก่อนจะได้บรรยายธรรมต่อไปก็ขอให้ทุกท่านได้สำรวมกายวาจาและทำจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่กับตัวบางท่านอาจจะเคยชินกับการดูลมหายใจบางท่านก็อาจจะเคยชินกับบทบริกรรมต่างๆมีพุทโธเป็นต้น ต่อไปนี้ก็ขอให้แต่ละท่านได้วางใจให้อยู่กับอารมณ์ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นอย่าปล่อยให้ใจฟุ้งไปกับอารมณ์ความคิดต่างๆที่จะจอนเข้ามารบกวนจิตใจอันจะทำให้เสียซึ่งประโยชน์ที่จะได้จากการฟังซึ่งพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระศาสดาวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่12กรกฎาคม พุทธศักราชตรงกับวันขึ้น8ปดค่เดือน8ซึ่งอีกเพียงไม่กี่วันก็จะเป็นช่วงวันหยุดยาววันเข้าพรรษาหลายๆท่านก็คงวางแผนกันแล้วหรือกำลังวางแผนอยู่ว่าจะใช้วันหยุดยาวห้าวันกันอย่างไรช่วงก่อนวันเข้าพรรษานี้ก็เป็นช่วงที่หมู่พระสงฆ์ดูจะวุ่นวุ่นกันอยู่บ้างเพราะเตรียมตัวเข้าพรรษา เนื่องด้วยมีพุทธบัญญัติห้ามพระภิกษุเที่ยวทุดงไปในที่ไหนไหนตลอดฤดูฝนให้อยู่ในที่ที่เดียวซึ่งก่อนถึงวันเข้าพรรษาพระสัสดาก็ทรงอนุญาตให้เป็นช่วงสแสวงหาเสนาสนะเพื่อที่จะใช้อยู่ตลอดพรรษาอีกทั้งยังเป็นช่วงที่ภิกษุต้องเตรียมผ้าอาบน้ำฝนไว้ใช้อีกด้วยเมื่อเป็นอย่างนี้ วันเข้าพรรษาก็จึงเป็นวันสำคัญสำหรับพระสงฆ์และเหล่าอุปถักทั้งหลายวันหนึ่งเลยทีเดียวถึงแม้ว่าวันเข้าพรรษาจะสำคัญแต่อีกวันสำคัญวันหนึ่งที่สำคัญมากมากที่ยตมาอยากจะให้ทุกท่านได้ระลึกถึงก็คือวันอาสารหบูชาซึ่งเป็นวันเพ่นขึ้น15ข้ามเดือน8ก่อนวันเข้าพรรษหนึ่งวันเกี่ยวกับวันอาสารหบูชา อาตมาเชื่อว่าหลายๆาท่านคงทราบเพียงแต่ว่าเป็นวันที่เราจะเวียนเทียนกันที่วัดแต่ไม่ทราบว่าได้มีเหตุการณ์สำคัญอะไรได้เกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน8เมื่อ2 6 0พสี่ปีที่แล้วซึ่งท่านับความสำคัญของวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬห บ, บูชาแล้วแล้วก็วันนาสาฬห บ, บูชานี้มีความสำคัญกว่าวันเข้าพรรษามาก เพราะได้มีเหตุการณ์สำคัญต่อหมู่ชนเป็นนั้นมากเกิดขึ้นเหตุการณ์นั้นก็คือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาหรือเป็นการเทศครั้งแรกของพระองค์นั่นเองอีกทั้งยังเป็นวันที่มีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ครบเป็นองค์สามคือรัตนาสามเนึ่งด้วยวันนี้เป็นวันที่พระัญญาโกธัญญะได้ประกาศทูลขอการบรรพชาแก่พระศาสดา และพระองค์ก็ทรงประธานการบวชรับท่านพระัญญาโกนธัญะเข้าเป็นภิกษุรูปแรกในพระศาสนาฟังเพียงแค่นี้บางท่านอาจจะยังไม่เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของการมีภิกษุเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาสักเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวอาตมาจะค่อยๆ อ, อธิบายให้ได้เข้าใจถึงความสำคัญนี้เองพระศัสดาของพวกเราครั้นยังดารงเพศเป็นคฤหัต ได้ทรงเห็นเทวทูวตทั้งสี่คือคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะแล้วก็ได้ทรงเห็นทุกข์ของหมู่สัตว์ทั้งหลายทรงตําริได้ว่าเมื่อมีร้อนก็มีเย็นเป็นของแก้กันอย่างนี้เป็นต้นแล้วความทุกข์ก็ต้องมีของแก้เช่นเดียวกันจากนั้นจึงได้ทรงออกผนวดบําเพรีความเพียรอยู่ถึง6ปี จึงได้สรงค้นพบกับความจริงอันประเสริฐหรือธรรมที่สามารถนำตนให้ออกจากทุกข์ได้ยอย่างสิ้นเชิงและไม่กลับกำเริบขึ้นอีกเมื่อพูดมาถึงจุดนี้อาตมาก็อยากจะชี้ให้ท่านสาธุชนได้เห็นว่ามีเพียงแค่รัตนสองคือพระพุทธและพระธรรมที่เกิดขึ้นแล้วรัตนสองนี้แสดงให้เราเห็นอะไรได้บ้างที่แสดงให้เราได้เห็นกันอย่างแรกก็คือ ความมั่นใจในสิ่งที่พระองค์ทรงค้นพบนั่นก็คือพระธรรมว่าเป็นสิ่งที่นำตนออกจากทุกได้จริงคำถามก็มีอยู่ว่าแล้วอะไรเล่าเป็นเครื่องพิสูจน์คำตอบของเครื่องพิสูจน์นั้นก็คือตัวของพระองค์เองเพราะถ้าสิ่งที่พระองค์ทรงค้นพบไม่ได้ดีอย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้จริง พระองค์ก็คงจะทรงกลับไปเสวยราชสมบัติเป็นแน่เนื่องด้วยพระราชบิดาก็ทรงเฝ้ารอการเสด็จกลับไปของพระองค์อีกทั้งพระองค์ก็ทรงเป็นที่รักในหมู่พระประยุรญาติซึ่งถ้าสิ่งที่พระองค์ค้นพบนั้นไม่ได้ดีเพียงพอแล้วพระองค์ก็ทรงเลิกการผนวดและหวนกลับไปครองเพศครือหัดเป็นแน่ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ทรงค้นพบทมอันประเสริฐนี้แล้วพระองค์ก็ยังทรงถือครองเพศบรรมชิตยอยู่ต่อไปนี่ก็เป็นเครื่องยืนยันให้เราได้เห็นว่าพระธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ดีจริงนำตนให้ออกจากทุกข์ได้จริงและสิ่งที่เป็นการตอกย้ำความดีของพระธรรมที่พระองค์ได้ทรงค้นพบนั่นก็คือการที่มีบุคคลอื่นที่นอกเหนือจากพระองค์ ได้ประสบผลแบบเดียวกันได้ในบุคคลที่เป็นคนยืนยันเรื่องความดีจริงของพระธรรมเป็นคนแรกนั้นก็คือพระอัญญากรทัญญะผู้ที่ได้รู้และเข้าใจความจริงแห่งธรรมที่พระองค์ได้ทรงแสดงซึ่งการแสดงธรรมในครั้งนี้ก็เป็นการแสดงธรรมครั้งแรกของพระองค์หรือปฐมเทศนาเมื่อพระอัญญากรทัญญ แต่รู้ตามความเป็นจริงในสิ่งที่ทรงแสดงแล้วก็ได้มีความมั่นใจในพระธรรมว่าเป็นธรรมที่นำตนให้ออกจากทุกข์ได้จริงการที่ตนได้อยู่และประพฤติในธรรมวินัยของตถาคตนั้นเป็นสิ่งประเสริฐยิ่งแท้จึงได้ทูลขอการบรรพชาเป็นภิกษุอยู่ประพฤติพรหมจรรย์กับพระศัสดาเมื่อพระศัสดาประทานการบวชให้โดยการกล่าวว่า จงเป็นภิกษุเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติพรมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบนี้จึงถือเป็นการกำเนิดรัตนะที่สามคือสังฆารัตนขึ้นในโลกโดยมีพระัญญากรัญญะเป็นองค์ประถมส่วนวันที่รัตนะทั้งสามได้เกิดขึ้นแล้วนั้นก็ตรงกับวันเพ็ญขึ้นสิบห้าข้ามเดือน8 หรือเดือนอาสาฬหะและเพื่อรลึกถึงความดีงามแห่งเหตุการณ์สำคัญนี้เราจึงยกให้วันเพ็ญขึ้น15บห้าค่เดือน8เป็นวันสำคัญที่สุดวันหนึ่งของเราเหล่าพุทธบริษัทเหล่าพุทธศาสนิกชนก็จะมารวมตัวกันเพื่อน้อมรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่ว่านี้ส่วนการระลึกนอบน้อมต่อความดีงามในเหตุการณ์นั้น ส่วนมากที่เราจะปฏิบัติกันเป็นประจำคือการบูชาโดยการเดินเวียนเทียนรอบพระอุโบสถหรือพระเจดีย์ส่วนการบูชาที่เลิศและพระพุทธองค์ทรงสันเสริญขึ้นไปอีกนั่นก็คือการปฏิบัติบูชาการปฏิบัติบูชาในที่นี้ก็มีในคือการน้อมนาพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์มาประพฤติปฏิบัตินั่นเอง ซึ่งอธรรมาภาพก็อยากจะให้ทุกท่านได้บูชาความดีงามของเหตุการณ์อันประเสริฐนั้นโดยการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อที่ท่านทั้งหลายจะได้เป็นผู้ที่ขึ้นชื่อได้ว่าเดินรอยตามทางที่พระองค์ทรงประทานทิ้งไว้เป็นทางอันประเสริฐเป็นทางที่จะนําผู้ประพฤติปฏิบัติให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เมื่อสักครู่ ธรรมภาพได้พูดถึงเหตุการณ์ที่พระอัญญากรทนญะได้ฟังปทมเทศนาแล้วได้มีความเข้าใจในพระธรรมที่พระองค์ทรงสแสดงจนถึงกับมีความมั่นใจในพระธรรมว่าเป็นธรรมที่นำตนให้ออกจากทุกข์ได้จริงและได้ทูลขอการเป็นประชาเป็นภิกษุในศาสนาของพระองค์หลายท่านก็คงจะมีคำถามอยู่ในใจว่าแล้วพระพุทธเจ้าทรงเทศอะไร แล้วพระอัญญากรทัญญาได้รู้และเข้าใจอะไรคำตอบของคำถามเหล่านี้ก็อยู่ในคืนวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะเมื่อ2 6 0พสี่ปีก่อนซึ่งเป็นวันที่พระองค์ได้ทรงสแสดงปฐมเทศนาแก่หมู่าาัรรจวคีส่วนเนื้อหาใจความนั้นก็มีดังนี้หลังจากที่พวกปัญจวคีได้คลายมานัที่มีต่อพระองค์ และพร้อมที่จะฟังทมแล้วพระองค์ก็เริ่มแสดงส่วนสุดสองอย่างที่บัลปชิตไม่ควรเสพถึงแม้ว่าพระองค์จะใช้คำว่าบัลปชิตก็ตามแต่ก็ทรงหมายถึงผู้ประพฤติ ธ, ธรรมโดยทั่วไปไม่ได้ทรงจำกัดแต่บัลปชิตเท่านั้นที่ทรงใช้คำว่าบัลปชิตก็เพราะขณะนั้นเป็นการแสดงทมครั้งแรกและแสดงต่อผู้ฟังห้าคน ซึ่งทั้งห้าคนนั้นก็ได้ออกจากเรือนมาเป็นนักบวชเพื่อที่จะหาทางพ้นทุกข์ฉะนั้นพระองค์จึงทรงใช้คำว่าบรรพชิตเพื่อให้เหมาะกับผู้ฟังในขณะนั้นนั่นเองแล้วส่วนสุด2 อ, อย่างที่บรรพชิตไม่ควรเสพนั้นคืออะไรอย่างแรกก็คือการประกอบตนมัวเมาความสุขในกามทั้งหลายหรือภาษาบาลีใช้คำว่ากามาสุขขลิกาณุโยค ก่อนที่จะไปส่วนสุดอย่างที่สองอัตมาภาพก็ขอทำความเข้าใจกับคําว่ากามสักหน่อยก่อนคำว่ากามในที่นี้พระองค์ไม่ได้หมายถึงแต่เฉพาะเรื่องทางเพศอย่างเดียวแต่คำว่ากามนั้นกินความหมายกว้างคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและสรงให้เหตุผลของการไม่ควรเสพไว้ว่าฮีโนเป็นของเลว ขำโมเป็นของชาวบ้านโปทุชนิโกเป็นของปุถุชนอนาเรยไม่ประเสริฐอนัสสันฮิโตไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์ซึ่งเหตุผลสุดท้ายก็เป็นตัวสรุปได้อย่างชัดเจนว่าการมัวเมาความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายเป็นการไม่ก่อประโยชน์ คือไม่สามารถนำตนให้ออกจากทุกได้ซึ่งทพูดายยังเดินทางสายนี้อยู่ก็ไม่สามารถนำตนให้ออกจากทุกได้เลยบางท่านพอได้ยินอธตมาพูดแบบนี้แล้วก็อาจจะสงสัยอยู่ว่าทุกวันนี้เราก็ต้องข้องเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสอยู่ตลอดเวลาแม้นักบวชก็เช่นกันก็ต้องอยู่เกี่ยวกับรูป เสียงกลิ่นรสสัมผัสและถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราทั้งหลายก็ไม่น่าจะสามารถนำตนให้ออกจากทุกข์ได้สิอาตมาก็จะขอแก้ประเด็นนี้ตรงที่ว่าพระองค์ทรงใช้คำว่ากามสุขัลิกาแปลได้ว่าความมัวเมาความสุขในกามทั้งหลายฉะนั้นแม้ว่าเรายังต้องข้องเกี่ยวอยู่กับกามทั้งหลายคือ รูเสียงกลิ่นรสสัมผัสแต่ถ้าไม่มัวเมาในความสุขที่ได้จัดการทั้งหลายนี้เราก็ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่ได้ประกอบตนให้อยู่ในส่วนสุดทางนี้คือการมาสุขันธิการนุโยกหลังจากที่ทรงแสดงส่วนสุดอย่างแรกคือการมาสุขันลิการนุโยกแล้วก็ได้ทรงแสดงส่วนสุดที่สองที่บรรญัตชิตไม่ควรเสพนั่นก็คือ อัตกิรมาฐานุโยคคือการประกอบตนให้ลำบากชาตีความให้แคบลงและชัดเจนขึ้นก็คงหมายถึงการทรมานตนเองแต่ทั้งนี้เป็นการทรมานตนเองที่ไม่ได้ทำให้เกิดปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงขึ้นมาได้เป็นการทรมานที่เสียเปล่าอย่างที่ได้ทรงบำเพ็ญทุกรกรริยามีการกลั้นลมหายใจ อดพระกระยาหารเหล่านี้เป็นตน้นทรงทาไปเพียงเพราะหวังว่าจะพ้นทุกเพียงอย่างเดียวแต่เมื่อทรงเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่พระองค์กำลังทำอยู่นี้ไม่สามารถทำให้พ้นทุก์ได้จริงจึงเริ่มหันมาศึกษาทำความเข้าใจว่าอะไรที่เป็นทุกข์และสาเหตุของทุกข์นั้ น, น, นคืออะไรหลังจากที่พระองค์ได้ทรงเข้าใจตามความเป็นจริงเรื่องทุกนี้ได้ พระองค์ก็ทรงตรัสแสดงข้อปฏิบัติที่ยังไม่เคยมีใครแสดงเอาไว้นั่นก็คือมัชชิมาปฏิปทาซึ่งมัชชิมาปฏิปทานี้เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อจักสู่เป็นไปเพื่อญาณคือความรู้เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นไปเพื่อนิพานคือความดับไม่เหลือ ที่ดับไปนั้นก็คือทุกดับไปโดยไม่มีส่วนเหลือนั่นเองส่วนข้อปฏิบัตินั้นก็มี8อย่างคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดําริชอบสัมมาวาจาการพูดชอบสัมมากรรมตะการงานชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบ สัมมาสติการระลึกชอบสัมมาสมาธิการตั้งใจมั่นชอบหลังจากที่ทรงแสดงข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความดับไม่เหลือของทุกข์แล้วก็ได้ทรงวนกลับมาเน้นย้ำทำความเข้าใจเกี่ยวกับความจริงเรื่องทุกข์ว่าอะไรบ้างที่ทรงนิยามว่าเป็นทุกข์ชี้ทำความเข้าใจให้ตรงกันเสียก่อนว่า ความทุกข์ที่ท่านเข้าใจกับความทุกข์ที่เราจะแสดงต่อไปนี้ต้องเข้าใจเหมือนกันและตมาก็จะถือโอกาสขอให้สาธุชนทุกท่านได้ปรับความเห็นความเข้าใจเกี่ยวกับความทุกข์ให้ตรงกับที่พระองค์ทรงแสดงไว้ด้วยทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ในการทำความเข้าใจต่อไปส่วนความจริงว่าด้วยเรื่องทุกข์นั้นก็มีว่า ชาติปิดทุกขาแม้ชาติคือความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิดทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิดทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โซกะคือความแห่งใจปริเทวะคือความร่ำไรรำพันทุกขะคือทุกขกายโทมนัตคือความทุกข์ใจอุปายาสะคือความคับแค้นใจแม้เหล่านี้ก็เป็นทุก ปิเยหิสัมปโยโคทุกโขคือความประสบในสิ่งที่ไม่น่าพอใจก็เป็นทุกข์ปีเยหิวิประโยโคทุกโขคือความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ยําปิดฉังนรลภัติตัมปิทุกขังคือความอยากได้สิ่งใดแล้วไม่ได้นี้ก็เป็นทุกข์สังขิตเตนะปันจุ ป, ปาทานขันธาทุขา โดยยอ่อความยึดมั่นในขัน5้าเป็นทุกข์ที่ว่ามาเหล่านี้ก็เป็นทุกข์ในลักษณะต่างๆที่เราต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันอย่างนี้หลายท่านอาจจะรู้สึกว่าเยอะและจดจาลาบากอาตมาก็ขอย่อลงให้สั้นจำได้ง่ายขึ้นก็ขอสรุปว่าทุกข์นั้นมีสองคือทุกข์ทางกายหนึ่งทางใจหนึ่ง และทุกที่พระพุทธองค์ทรงให้ความสำคัญและทำให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกนั้นได้ก็คือทุกทางใจแล้วคำถามว่าทุกทางกายละ่ะพระองค์ไม่ทรงสนพระทัยที่จะแกหรือก็ขอแก้ว่าทุกทางกายก็ทรงให้ความสำคัญเพียงแต่ทุกทางกายนั้นเราทุกท่านก็มีวิธีที่จะแสวงหาความดับทุกได้ตามอัตภาพอยู่แล้วเช่น ทุกเพราะหิวทุกเพราะกระหายทุกเพราะหนาวทุกเพราะร้อนทุกเพราะป่วยไข้เหล่านี้นั้นคนเราต่างก็มีศักยภาพในการแก้ทุกเหล่านี้ในแบบของตนแบบสมฐานะของตนแต่ทุกทางกายนี้กลับกำเริบได้ตลอดตราบเท่าที่กายนี้ยังคงดำรงอยู่ส่วนทุกทางใจพระองค์ทรงสแสดงไว้ว่า เป็นทุกข์ที่สามารถทาให้ถึงความดับไม่เหลือได้ฉะนั้นพระองค์จึงทรงเน้นเรื่องใจเป็นใหญ่เพราะสุขและทุกข์จริงๆของคนเราคือสุขและทุกข์ทางใจนั้นเป็นสำคัญดังมีพระดำรัสว่ามโนปภังขมาธรมามโนเศรษฐามโนมะยามีใจความว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นสภาพถึงก่อน มีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานสําเร็จแล้วด้วยใจอีกทั้งก็มีวลีหลายตัวที่คุ้นเคยและใช้กันบ่อยๆเป็นวลีที่แสดงให้เห็นถึงสุขและทุกข์นั้นสุขทุกข์ทางใจเป็นใหญ่กว่าทางกายยกตัวอย่างเช่นครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากหรือสุขทุกข์อยู่ที่ใจเหล่านี้เป็นต้นฉะนั้น เมื่อเราแก้ทุกข์ที่เกิดขึ้นกับทางใจได้ก็เป็นอันว่าทุกข์ของเราก็เป็นอันหมดไปสิ้นไปดับไม่เหลือและไม่กลับกาเริบได้อีกคงเหลือไว้แต่ความสุขที่พระพุทธองค์ทรงจรัดว่าเป็นสุขอย่างยิ่งดังพระบาลีที่ว่านิพานังประมังสุขขังความว่านิพานเป็นสุขอย่างยิ่งและเป็นสุขที่ยิ่งกว่า ละเอียดประนีตกว่าความสุขที่ได้จากการคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายเมื่อเรารู้แล้วว่าทุกเป็นยังไงอะไรบ้างที่จัดว่าเป็นทุกพระพุทธองค์ก็ได้ทรงมอบหมายหน้าที่ให้กับผู้ที่หวังความพ้นทุกว่าต้องทำอย่างไรในเวลาที่ทุกเหล่านี้เกิดขึ้นและหน้าที่ที่ทรงประทานไว้สาหรับเวลาที่ทุกเกิดขึ้นนั้นก็คือ การกำหนดรู้ทุกข์เละขอย้ําไว้ตรงนี้เลยว่าทุกข์นั้นเรามีหน้าที่เพียงแค่กําหนดรู้เท่านั้นซึ่งคนส่วนมากยังมีความเข้าใจอยู่ว่าทุกข์เกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องละทุกข์ให้หมดไปซึ่งความเข้าใจนี้ยังคลาดเคลื่อนจากสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้นั่นก็คือตั้งโคปนีดังดุขังอริยสัจจัง ปริญญยยันติเมพิกเวุบเบอ น, นันตสุเตสุธรมเมสุจากุงอุดปาดียวานังอุดปาดีปัญญาอุดปาดีวิจาอุดปาดีอาโลโกอุดปาดีความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายจากสุยานปัญญาแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เรา ในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าความจริงอันประเสริฐเรื่องทุกนี้นั้นพึงกำหนดรู้เมื่อเรากำหนดดูรู้ความจริงเกี่ยวกับทุกได้อย่างที่พระองค์ทรงชี้บอกแล้วความจริงอีกอย่างเกี่ยวกับความทุกข์ก็จะทราบได้นั่นก็คือทุกที่เกิดขึ้นอยู่อะไรเป็นเหตุของทุกนี้และเหตุของทุกเรา ก็จะคุ้นชินกับคําบาลีว่าทุกขสมุทัยหรือเหตุเกิดทุกข์ส่วนหน้าที่ที่พระองค์ทรงประทานาไว้สําหรับเหตุเกิดทุกข์นั้นก็ตามพระบาลีดังนี้ตังโคปนิดังทุกขสมุเดโยอริยสัจจังปะหะตะบังความว่าความจริงว่าด้วยเหตุเกิดทุกข์นี้นั้นพึงละเมื่อละสมุทยัย คือเหตุเกิดทุกข์ได้แล้วนิโรธคือความดับไปแห่งทุกข์ก็ปรากฏให้เราได้ประจักษ์ส่วนทางหรือเครื่องดำเนินให้ถึงความดับไปไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นก็คืออริยมรตมิยง8ดดังที่ได้กล่าวไว้แล้วแต่ต้นมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นต้นมีสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบเป็นที่สุด เมื่อพูดมาถึงจุดนี้แล้วหลายท่านก็อาจมีคำถามว่าแล้วอะไรบ้างที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์พระพุทธองค์ก็ได้ทรงสรุปและแสดงไว้ให้แล้วว่าตัณหาคือความทยานอยากนี้คือสมุ ท, ทยัยเหตุเกิดแห่งทุกข์เนื่องจากเพราะมีตัณหาคือความทยานอยากจึงมีอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่น เมื่อมีอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นเกิดขึ้นผลที่ตามมานั้นก็คือทุกข์ดังที่ได้ทรงแสดงไว้แล้วในหมวดความจริงเรื่องทุกว่าสังกิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาความว่าโดยย่อแล้วความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าเป็นทุกข์อธิบายอย่างนี้หลายท่านก็อาจจะยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมสักเท่าไหร่ ยกตัวอย่างคงพอทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นในกรณีที่เราถูกทำร้ายว่าร้ายหรือเบียดเบียนแน่นอนความโกรธความขัดเคืองใจความงหงุดหงิดใจก็เกิดขึ้นและผลที่ตามมาก็คือสภาวะของใจที่เร่าร้อนขุ่นมัวอาตมาก็อยากให้ทุกท่านได้ลองถามและตอบกับตัวท่านเองด้วยว่า เมื่อท่านเจอสถานการณ์อย่างที่กล่าวมานี้ใจของเรานั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แน่นอนว่าคงไม่มีท่านไหนที่รู้สึกมีความสุขเมื่อใจเราเ ร, าร่าร้อนขุ่นมัวจากความโกรธความขัดเคืองใจเมื่อเรารู้สึกแล้วว่าการโดนทำร้ายว่าร้ายหรือเบียดเบียนทำให้เราเป็นทุกข์แล้วปกตินั้นเราจะทำอย่างไร ซึ่งวิธีแก้ไขของแต่ละท่านก็คงแตกต่างกันไปบางท่านก็อาจจะมีความคิดว่าเขาด่าเราเราด่าตอบเขาว่าเราเราว่าเขาตอบอย่างนี้สิจึงจะทำให้ความโกรธความขัดเคืองใจที่เรามีนั้นสงบหรือดับลงไปได้แต่หลายๆครั้งท่านก็คงจะเห็นว่าการแก้ไขทุกเนื่องจากความโกรธแบบนี้ก็ไม่ทาให้ใจสงบ หรือหายจากความเร้าร้อนนี้ไปได้สำรายบางครั้งเขาด่าเราเราด่าเขาตอบแต่เขาไม่สนใจเรากลับมีทุกข์เพิ่มขึ้นไปอีกเพราะความเจ็บใจที่เขาไม่รู้สึกรู้สาอะไรกับคำด่าของเราดังนั้นคนที่ไดจากการแก้ทุกข์โดยวิธีนี้ก็ยังไม่ใช่วิธีที่ดีที่จะจัดการได้อย่างสมบูรณ์แบบ แล้วสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแนะนำละ่ะทรงแสดงว่าทุกเกิดขึ้นให้เรากำหนดรู้ทุกอนันไว้ส่วนสิ่งที่ต้องละนั้นไม่ใช่ทุกที่เกิดขึ้นไปแล้วแต่ให้ละตัณหาคือความทยานอยากที่กำลังเกิดขึ้นในใจของเราในขณะนั้นเมื่อทำได้อย่างนี้ทุกหรือความเร่าร้อนที่เกิดขึ้นในใจมันก็จะอ่อนกำลังลงไป เพราะไม่มีเชื้อของความโกรธความขัดเคืองใจคอยสืบต่อความโกรธความขัดเคืองใจนั้นต่อไปท้ายสุดมันก็ดับไปตามธรรมชาติของมันหลายท่านอาจจะยังสงสัยว่าทำไมเมื่อละตัณหาคือความทยานอยากในใจแล้วทุกเพราะความโกรธอันนี้จึงดับลงไปได้ในกรณีที่คนมาว่าเราด่าเรา เมื่อเราฟังคำด่าเหล่านั้นความโกรธความขัดเคืองก็เกิดมีขึ้นกระบวนการความโกรธความขัดเคืองที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะคำด่าแล้วแต่เกิดขึ้นเพราะใจเราหลงไปปรุงแต่งตามคำด่าคำว่าในอดีตนั้นเมื่อปรุงแต่งไปตามโทสะจิตแบบนี้แล้วความโกรธความขัดเคืองก็ยิ่งดําเนินต่อไปเรื่อยๆยิ่งปรุงแต่งมาก ความโกรธความขัดเคืองชุดใหม่นี้ก็ยิ่งมากยิ่งเสริมกับความโกรธตัวเก่าก็ยิ่งทำให้ใจเราเร่าร้อนเพราะความโกรธมากขึ้นเมื่อเราไม่เท่าทันกระบวนการนี้การคิดแก้ปัญหาก็เป็นไปตามอำนาจของจิตที่เป็นโทสะก็จะทำให้เราแก้ไขไปในทางทาร้ายกันเบียดเบียนกันต่อไปมีผลที่สุดคือ ไม่ทำให้ใจเราสงบระงับจากความโกรธความขัดเคืองเหล่านั้นได้แต่ถ้าเรานำเครื่องดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ที่พระพุทธองค์ทรงประทานไว้คืออริยมรรคมีองค์8มาใช้จัดการกับเจ้าตัญหาคือความทยานอยากในใจก็มีทางที่พอจะระงับดับทุกข์คือความเร้าร้อ น, อนจากไฟโทสะนี้ไปได้เริ่มต้นด้วยเราต้องมีสัมมาสติ และสามารถสมาธิเป็นหน่วยหน้าคือมีสติรู้เท่าทันว่าทุกเพราะความโกรธความขัดเคืองใจได้เกิดขึ้นกับเราแล้วเมื่อรู้แล้วก็รีบถอยใจออกมาตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์สักอารมณ์หนึ่งที่ดีที่ไม่ให้ใจเราโดนโทสะจิตเข้าครอบงำในที่นี้อาจจะใช้การตั้งสติไว้อยู่กับลมหายใจหรือที่เราเรียกกันว่าอาณาปานสติ ให้มีอารมณ์ตั้งมั่นที่ลมหายใจไว้คือมีสัมมาสมาธิเพื่อจะข่มใจไว้ไม่ให้ถูกโทสะจิตเข้าครอบงำเมื่อได้ดังนี้แล้วสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบรู้เท่าทันกองทุกข์ก็เริ่มทำงานมีอันให้เห็นชัดเจนที่ใจของเราว่าถ้าใจเราตั้งมั่นอยู่ที่ลมหายใจได้อย่างนี้การปรุงแต่งไปในทางอากุศล มีการให้ว่าร้ายทำร้ายเบียดเบียนตอดเขานั้นก็เป็นอันงดเว้นไปได้เห็นอยู่ถึงขณะที่ใจเผลอหลงไปตามความอยากที่เกิดขึ้นในใจให้ไปปรุงแต่งตามโทสะจิตแล้วเราสามารถสลัดความอยากอันนั้นออกจากใจกลับมาตั้งมั่นอยู่ในภายในที่ลมหายใจอยู่ได้จึงได้เห็นชัดตามความเป็นจริงว่าเมื่อไม่มีเหตุให้สืบต่อ ความโกรธความขัดเคืองที่มีอยู่ในใจมันก็ค่อยๆจางคลายลงมีที่สุดคือดับหายไปที่ว่านี้ในกรณีของความโกรธความขัดเคืองใจแต่ถ้าเราสามารถที่จะตั้งจิตพิจารณาอยู่เนืองๆไม่เว้นการพิจารณาแม้ความสุขเราก็จะได้เห็นเช่นเดียวกับความทุกข์ว่า เมื่อหมดเหตุแห่งความสุขนั้นๆความสุขที่มีนั้นก็ดับไปเช่นเดียวกันเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้เนืองเนืองเราก็จะเข้าใจถึงความจริงข้อหนึ่งซึ่งเหมือนกับสิ่งที่พระัญญากณธัญะท่านได้รู้แจ้งขึ้นมาในคืนวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะดังที่ได้ยกคำอุทานของท่านยกมาเป็นนิเคปบทว่ายังกินจิสมุดยธรรมัง สัปันตังนิโรธธรรมังความว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาทั้งหมดล้วนดับไปเป็นธรรมดาเมื่อรู้ได้อย่างนี้ธรรมะจักสุก็ได้บังเกิดขึ้นในใจมีผลทำให้สังโยชน์คือเครื่องคลองอยู่ในภพได้มีอันละขาดไปจากใจสามอย่างคือสกายทิฐิ ความเห็นว่ามีตัวมีตนมีเรามีเขาหนึ่งวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงสงสัยในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หนึ่งศีลปตบประมาตรคือความถือมั่นศีนพลพรดที่ศัก์แต่ว่าทำตามตามกันไปหนึ่งเมื่อผลคือการหมดไปแห่งสังโยชน์สามนี้ปรากฏขึ้น และการที่ได้รู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างแจ้งชัดประจักษ์ที่ใจว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสดแสดงไว้เป็นความจริงประพฤติปฏิบัติตามแล้วก็เห็นผลคือมีความดับไปไม่เหลือแห่งทุก์เป็นผลจริงความดีใจความอิ่มใจความมั่นใจในพระพุทธพระธรรมจึงมีเต็มหัวใจของท่านพระอัญญากณัญญ จนถึงได้กล่าวทูลขอบวชเป็นภิกษุในพระศาสนาของพระสัส ด, สดาสรุปความว่าวันนี้อาตมาได้พาทุกท่านได้ย้อนระลึกถึงวันสำคัญมากๆของทางพระพุทธศาสนาของเรานั่นก็คือวันอาสาฬหาบูชาซึ่งจะตรงกับวันที่19กรกฎาที่จะถึงนี้ซึ่งเป็นวันที่เราจะได้ระลึกถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ เหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือการแสดงธรรมครั้งแรกของพระศัสดาอีกทั้งเป็นวันที่พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์คือรัตนสามได้สมบูรณ์พร้อมขึ้นในโลกเป็นวันที่ย้ำเตือนพุทธบริษัททุกท่านว่าพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้เป็นธรรมที่นำตนให้ออกจากทุกข์ได้จริงเพราะมีบุคคลที่ยืนยันว่า เรารู้แจ้งตามในสิ่งที่ทรงแสดงและให้ผลแบบเดียวกันกันกบที่พระองค์ทรงได้รับคือความดับไปไม่เหลือแห่งทุกข์และบุคคลแรกที่เป็นผู้ยืนยันสิ่งนี้ก็คือพระอัญญากฏัญญปะปฐมภิกษุในพระศาสนาซึ่งหลังจากนั้นก็ได้มีผู้รู้ตามเห็นแจ้งในพระสัตธรรมตามมาอีกเป็นจานวนมากจวบจนทุกวันนี้ ที่บรรยายทำมาก็เห็นสมควรแก่เวลาก็ขอยุตติพระธรรมเทศนาลงแต่เพียงเท่านี้เอวัง